เรื่องหมอนสมัยนั้นพวกภิกษุฉับ พ, พักขีใช้หมอนยาวขนาดกึ่งกายคนทั้งหลายเดินเที่ยวชมวิหารเห็นจึงตำหนิประนามโพนทนาว่าเหมือนขฤรหัสผู้บริโภคกรรม